เจริญพรยักทีท่มทำตัวท่านน่ก็ตัง้งใจฟังเนี่ะเริ่มได้คงทางก่อนแล้วกันพวกเราคิดว่าสิ่งที่มีค่าเนี่ยมันมนต้องมีลักษณะแบบไห น, นสิ่งมีค่านในความรู้สึกในความคิดของเราคือ ต้องมีลักษณะแบบไหนมีอายยาวนาฮะมีอยุยืนยาวนานไม่เปลี่ยนแปลงอายุืนยาวนานไม่เปลี่ยนแปลงคนอื่นว่าไงทำให้เกิดความดัดขึ้ได้ทำให้เกิดความดักขก้ได้นี่ไง ความสุขอะเป็นสิ่งที่มีค่ามันลักษณะความดีการมีสติมี ส, ต, ต, มสตินะ่ะเป็นสิ่งมีค่ากายสบายใจสึกกายสบายใจอันเป็นสิ่งมีค่า <c oughs> มีอะไรอู่ไหม มัดใจไว้สจ้าขาแล้มันหนักสิ่งมีค่าตัวสิ่งที่มัดใจเราอแต่มันก็หนักเลยสิ่งค่าคือสิ่งที่ใจเรากำหนดว่ามันมีนค่าอืมใจเราให้ค่ามันอืโอเคก็ถูกกำหนดนะ คือกันหมดแต่นี้อันนี้แต่ข้อสังเกตของเราตมาแตมาอาจจะพูดถึงอาจจะไม่พูดว่าอะไรมีค่าแต่บอกว่าแต่ลักษณะของสิ่งที่มีค่าอาจจะมาเห็นว่ามันมีมันมีลักษณะร่วมนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีค่าทางโลกก็ดีหรือว่าทางธรรมะก็ดีนะถูกคิดหรือผิดกว่าก็ไม่รู้นะตรงนี้แค่ความรู้สึกหรือความ ความคิดเราตำมานะนะแตมว่าสิ่งมีค่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นว่ามีค่ามันมีลักษณะนะคือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราให้ค่าว่ามันดีเนาะหรือว่ามันมันดีมันอาจจะทําให้เราเกิดความสุขไปแล้เป็นแง่เนี่มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะนะสิ่งมีค่าอ่าแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราได้มาด้วยด้วยความยากด้วยก่อน ด้วยความภาคเพียนบางอย่างอาจจะมีค่าโดยราคาแทงแต่ถ้าเราได้มาด้วยลักษณะง่ายๆเราจะได้คุณค่ามั้ยคุณค่ามันก็จะน้อยลงไปเยอะเลยนะสมมตุติโอเคสมมติอมีคนซื้อเก็ตให้เราอโอเคเราก็รู้สึกว่าเกตนี้มีค่าแต่การที่สมมติถ้าเราหาเงินเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ คือแคสเองอันไหนมีความรู้สึกของเรานะ่อันไหนมีค่าเหมือนกันคนคนอื่นทให้เราหรือว่าเราเราพากเพียรเพื่อที่จะทํามาแล้วก็ได้ ม, มาด้วยตัวของเราเองอันนี้ใช่ไหม <c oughs> คือคือความเพียรความพยา ย, ยามหรือการได้มาด้วยด้วยความพักเพียรที่มันได้มาด้วยความยากความบากมันก็เป็นสิ่งที่มีค่านะ มีค่ากระการที่ได้มาด้วยความง่ายๆ น, านะครับอืมแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งคืออะไรมันน่าจะเป็นของหายากเลยนะเนถือถ้าเป็นของทั่วๆไปก็าอาจจะดูอาจจะไม่ค่อยมีท่ามีราคามันคงต้องเป็นของที่ที่หายากยนะหายากเป็นสิ่งที่มันมีไม่มากนะใช่ไ อันนี้คิด เ, เล่นๆนะ <c oughs> คิด เ, เล่นๆนะแต่ก็อย่าที่โยมว่าบางคนของมีค่าหรือสิ่งที่มีค่าของเราเองก็ก็คือที่เราเนียามหรือที่เรารู้สึกเนาะแต่มาว่าลักษณะของของสิ่งที่มีค่ามันก็มีประมาณแบบนี้หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่มาว่าก็มันก็เป็นสิ่งที่ ถ้าเราพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่ในชีวิตเราที่มันมีมีค่ามีคุณค่าในตัวของเราเองที่เรามีเนาะมีอะไรบ้างชีวิตชีวิตนะมันมีค่าก็อะไร ไ, ได้มายากหรือว่าได้มง่ายหรือว่ามันเหลือน้อยมันเลยมีค่า ถันน um uh, ั้เราจะได้เอามาไหว้ปฏิบัติอืมแต่ตอนเด็กก็มองแบบนั้นหรือเปล่าตอนเด็กเรารู้สึกมันมันก็ไม่ไม่อาจจะไม่มองแบบนี้เนาะใช่ไหอาชีพนะมีท่าอะไร ที่ของความเป็นมนุษย์ในความหมายของโยมคืออะไรเป็นคนดีแล้วก็ให้มีหน้าที่ตอตเองและผู้อื่นที่ดีในสังคมโกที่ที่ได้เกิมาอยู่นไม่ใช่หน้าที่มนุษย์คือมากินมาเที่ยวมาเล่นหรอไม่ใช่นะหน้าที่ของคนดีหน้าที่ของคนดีคือทำสิ่งที่ดี มีประโยชน์นะต่อตวเราเองแล้วก็ต่อคนอื่นด uh uh ้วยคแม่ก็ควรนะดีมีอะไรอีกคือคือพ่อค่ะพ่อเพราะว่าท่านมีท่านมีเวลาให้เราดูแลน้อยดังนั้นลราขั้นคือเป็นสิทธิที่มค่าที่สุดอือพ่อพี่แม่ถ้าใครแม่อยู่ได้ก็แม่ได้เนาะ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกั น, น, นบางคนอังเกต น, นะเราก็ไม่มีนะแล้วบอกแต่สนใหญ่ถ้าคนมีครอบครัวมีลูกสามจริงๆเรารักลูกกับรักพ่อแม่รักใครมากกว่ากัน <c oughs> ได้ไปคุยกับคนที่เขาทำงานดูแล บ้านพักก็คนผู้ป่วยเนาะที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนะมาถึงบ้านพักคนที่ป่วยหรือว่าคนชราเนะีเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเวลาคนคนนะ่ะสมมติพ่อแม่ก็ป่วยแล้วก็มาส่งที่บ้านพักแล้วเขาก็ทําการเหมือนดูดูว่าอย่างแพมเพิร์ที่ที่ขายถ้าเป็นของเด็กไนะเป็นไงพ่อแม่จะเลือก ไอ้เหมนที่แพงที่ดีที่สุดให้ตกลูกแต่ถ้าแคนเพอร์ผู้ใหญ่เนะี่ยเขาจะเลือกที่ถูกที่สุด <c oughs> ให้กับพ่อแม่หนึ่งพขาก็ตั้งข้อสังเกตเออมันขึ้นดูเน็ตดือที่ตลาดลนะแบบแคนเปอร์จะไหนถ้าแคนเปนรผู้ใหญ่นะเนี่ยให้ของที่ราคาถูกเนะี่ยจะขายได้เยอะขายได้ดีแต่สําหรับเด็กนี่เป็นคนลังแตบบ่ของถูกอาจจะไม่ขายไม่ดี แต่ของที่เขาว่ามันดีที่สุดแพงกับไข่ได้เยอะกว่ามันก็เพราเป็นข้อตังค์เหตุอื่นคนก็อาจจะอาจจะรับลูกมากกว่ารับพ่อแม่หรือบางคนอาจจะคิดอีแกแบบหนึง่งคือคิดว่าพ่อแม่อาจจะอยู่ไม่นานแนละ้ว <laughs> <laughs> ก็ใช้ก็ใช้ธรรมดาแบบนี้ก็ได้อืมก็ไม่ดูเหมือนกันคนเราส่วนมากก็ตคิดถึงตัวเองก่อนใน เป็นลูกก็ต้องรักพ่อแม่และเมื่อเมื่อฐานะเปลี่ยนไปตัวเองเป็นพ่อแม่ก็ต้องรักลูกของตัวเองแบบนี้นะครับอืมใช่แต่คราวนี้ดราเราก็คงรักทั้งสองทั้งสองอยู่แล้วถ้าเกิดในฐานะหน้าตอนนั้นเป็นลูกเป็นลูกนะคะยังไม่มีลูกตัวเองก็ต้องรักพ่อแม่ที่สุด ถ้าเหมือนตัวเองมาเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อไหร่ก็ต้องรักลูกตัวเองกับพ่อแม่ก็คืออีกขั้นพ่อแม่เราอาจจะมองว่าก็อาจจะมีพี่น้องมีคนอื่นช่วยดูแลแบ่งเบาภาระไปด้วยแบบนี้ใช่ไหมแต่ลูนี้ก็มีแค่เรากับสามีกับมีแต่เราที่ต้องดูแลก็ถูกก็ถูกแต่ก็เป็นแค่แต่บางคนอาจจะ มีความห่างของการรักที่มันต่างกันมากเลยไหมนะหรือเวลาที่ให้ที่อาจจะแตกต่างกันมากกันะก็อาจจะเป็นแล้วแต่คน <c ười> แต่ก็ใชน่นะมาว่าอการที่เราได้มีชีวิตก็เนื่องด้วยพ่อแม่ที่ให้กําเสนอเราแล้วก็เลี้ยงดูเรานะจะถึงตอนนี้ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็เรอาจจะไม่มีวันนี้ใช่ไหม โชคดีขนาดไหนที่เขาไม่แทงก่อนที่เราจะข้อตอบนายแต่ตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับใช่ไมัมหรือเราโตขึ้นมาเราก็คงป่วยไม่สบายเยอะมากอก็จะผ่านความไม่สบายเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่คอยช่วเือเรามาเยอะมากมีอะไรอีกที่เราเห็นว่ามีค่าโอ่าสค่ะ ได้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อต่อการปฏิบัติธรรมโอกาสที่จะได้เจอครูบาอาจารย์ที่แบบเป็นกัลยาณมิตรนี้ก็โผล่อาผนห ง, หงหญยดูแล้วใจใส่ใช่ก็มีหลายอย่างนะแะต่ทำไมอีกก็เห็นในไทยได้มีโอกาสได้มีโอกาสอะไรอย่างเมื่อ เมื่อักครู่นี่มีคนจีนมาปฏิบัติธรรมที่อาสมวิเดยธรรมนะประมาณสิวันเราก็เห็นอะไรเขารู้สึกมันเป็นโอกาสของเขาอเพรามาจากมนุษจีนยี่สิบกว่คนเลนะเป็นโอกาสที่มีมีผ้าสอนมีคนแปลนะ่ะสามารถที่จะสื่อสารกันได้แล้วก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเหมือนนะี่เขาก็มองเป็นโอกาสซึ่ง อมองเป็นโอกาสก็เกิดความตั้งใจตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่นะแต่ก็มีส่วนหนึ่งแหละที่แบบเป็นโอกาสแบบฟุ๊ ก, กมาก็มีคือ <c ười> แต่พอมาแล้วก็ด้วยเวลาด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกไปมันก็มันก็ทำให้เขาก็พยายามที่จะอะอยู่กับมันนะมันก็เป็นโอกาสแล้วก็เห็นผล มาปฏิบัติประมาณสิบวันนะพี่อิงเขาไม่ถึงสิบวันเนจะ็ดวันแปดวันเต็มเต็มนะมันไปเดินกรรมนี้ก็หักละแต่พอฟังเขาพูดถึงการปฏิบัติแล้วก็ ก, ก็ก็รู้สึกภูมิใจกับเขาหรือยินดีกับเขาที่ที่เขาได้ ไ, <c oughs> ได้ประโยชน์กันทุกคนได้ประโยชน์กันทุกทุกคนหลายคนไม่เคยรู้จักพุทธศาสนาไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมก็ ได้เห็นได้เห็นประโยชน์นะที่จะเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองจริงๆเนะขาเป็นโ อ, อ ก, กาสของเขาเดือได้ไปมีหยุดสอกเดือนเป็นก่อนที่ผ่านมาที่ไปที่อินเดียนะได้ไปสอนเยาวชนนะชาวราดะราดก็เด็กเยาวชนนะก็สอนเนะี่ยเราเห็นยว่าคือคนสอนก็รู้ว่าใครตั้งใจใครสนใจนะ ดูที่สายตาอาจจะฟังรู้เรื่องมากนะมาเข้าปุณธไทยมีพระมังแปลคำสารกิจแต่ดูที่สายตาดูที่ความเราก็เห็นความตั้งใจเห็นความสนใจเพราะว่าเขามองว่าเป็นโอกาสที่ดีของเขาที่ได้เจอพระแบบเจรวาดตอนนั้นจะมีพระแบบวัชรยานเยอะแต่พระที่แบบเป็นเจรวาดแล้วก็สอนเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมาก อยู่ในที่เขานสน่วนใหญ่เป็นเรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรแบบนั้นเยอะโวกาสที่จะได้ปฏิบททัติธรรมมีน้อยนะเขาก็มองเป็นโอกาสก็เลยมีความตั้งใจนะมีความสนใจนะที่ที่ศึกษาเนาะที่จริงก็พกเราก็โอกาสดีนะแต่บางทีเรามองวจะมันมีเยอะนะเมืองไทยก็พระก็เยอะ วัดก็เยอะสำนักปฏิบาาัติรมก็เยอะเราก็เลยบอกบาทีเห็นบางคนที่ที่ไปวัดอาจะไม่ไ้่อยตั้งใจนะักบางทีเราสอนแล้วก็เห็นนะนั่งอยูแบบนี้แหละนะแต่ตาไปอยู่ไหนเรื่องใหญ่ที่อยู่ไหนเราไม่รู้นะมันก็บังคับก็ไม่ได้นะก็อาจจะมาด้วยความไม่เคยเต็มใจไม่ทั้งใจนะักแต่เรารู้อยู่แล้วมันก็สื่อออกไปเราพูดภาษาไทย มันเหมือนฟังคำทุกหูซ้ายเออเข้าหูซ้ายคำทุกหูขวาจำไม่ได้นะจำไม่ได้ไม่ไมจะจำในหัวไม่เข้าถึงใจประโยชน์ก็น้อยแต่อย่างคนจีนอ่ะแม้บางทีเราพูดภาษาไทยแปลออกไปเป็นภาษาจีนอาจจะตกหล่นบ้างนะแต่พอตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเขากับทร้งพึ้นถึงธรรมะมากกว่า บางคนฟังเวลาไทยตรงๆแต่แต่พอไม่ไตั้งใจนะก็ก็ไม่เข้าใจประโยชน์น้อยเหมือนกันเนี่ยมาว่าถ้าเรามองว่าชีวิตเราเนาะมันมันเป็นสิ่งที่มีค่านะในในส่วนของร่างกายที่เราได้มานะี่ยร่างกายที่เรายังมีอยู่เนะี่ยหรือเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้เราก็ไม่รู้เนาะมันก็เป็นสิ่งที่มีค่ามาก ที่เราได้มีชีวิตนี้นะเกิดมันเป็นมนุษย์นะที่ไงจะเสริมยังนิดหนึ่งนอกจากเราทำความดีกับตัวเราเองหรือเราทำความดีช่วยเหือค น, นอื่นแต่จริงเรามีหน้าที่ที่จะพัฒนาจิตใจจนพ้นทุกข์ด้วยนะ <c ười> อยากอยากเสริมตรงนี้หน่อยเพราะมาคิดว่าเคยได้ยินหลายคนเขมามักจะพูดเวลาลูก มาปฏิบัติธรรมหรื อ, รอว่าคนกรอบๆข้างเขามาปฏิบัติธรรมเรารู้สึกว่ามาบ่อยเกินไปบางทีไอ้มาก็เคย ไ, ได้ยินเขาพูดนะนะประมาณว่าไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ก็อยู่ที่บ้านก็รักษาสินก็เป็นคนดีก็พอแล้วพอไหมเขาก็คิดว่าพอนะที เราก็เป็นคนดีแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ทําหน้าที่การ ง, งานอะไรต่า ง, า ง, างดูแลครอบครัวให้ดีก็พอแล้วมันก็ดีระดับหนึ่งนะแต่อาจจะมันยังไม่พอเพราะอะไรต้องต้องถามกลับว่าเวลาเจอปัญหากับชีวิตเราเจอเรื่องราวที่ทําให้เกิดเป็นความทุกข์ใจเราสามารถที่จะไม่ทุกข์ได้หรือเปล่าใช่ไหมการรักษาศีลไม่ใช่เป็นหนักนับประการว่าเราจะไม่ทุกข์ การเป็นคนดีก็ไม่ใช่เป็นหลักรับประกันว่าเราจะไม่ทุกข์หรือการที่เราช่วยเหลือคนอื่นเย อ, เ อ, เ อ, เอะๆก็ไม่ใช่เป็นหลักรับประกันว่าเราจะไม่ทุกข์เราเคยเห็นใช่ไหมคนดีหรือคนที่ช่วยคนอื่นก็ทุกข์แบบคนดีทุกข์แบบช่วยคนอื่นแบบทุกข์อ่ะเพราะอะไรหลายคนเราก็จะได้ยินนะ ทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีแล้วทำไมต้องเจอเรื่องไม่ดีเพราะว่าเขาคิดว่าทำดีแล้วมันจะต้องเจอแต่เรื่องที่ดีทำดีแล้วต้องเจอต้องไม่เจอเรื่องที่ไม่ดีอันนี้เพราะอะไรเพรเราเห็นผิดใช่ไหมบางคนก็แบบนี้ก็ได้เกิดความท้อไม่อยากทำดีแล้วทำทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีอันนี้เพราะว่าเห็นผิดใช่ไหมเห็นผิดหรือการที่เราช่วยเหลือคนอื่น แล้วเขาไม่เขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเป็นอย่างที่เราคิดเราก็ทุกข์เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเราทำช่วยเหลือคนอื่นแบบคาดหวังคาดหวังว่าเขาต้องเห็นคุณค่าในการช่วยเหลือคาดหวังว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างในทางที่ดีอย่างที่เราคาดหวังเลเนะใช่ไหมเป็นทุกข์นะ <c oughs> นั้นเวลาจะมาสอนอาจารย์พยายามสอนแบบไม่คาดหวังมากหรอกแล้วไปดู จริงนะถ้าเราถ้าเราคาดหวังเราก็จะไปไปแบบไปยี้ไปกดดันไปทำอะไรต่างๆให้โยมต้องเข้าใจนะนะมามาปฏิบัติจะมาแล้วต้องเข้าใจต้องมารู้ทำให้ได้นะนะเราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะเพราะว่าเราสุด ถ, ถ้าเราทำอนยะ่างนั้นเราก็เป็นทุกข์ท่า หรือถ้าคนไม่ได้มันก็ทุกแต่ถ้าคนได้เราก็อาจจะสุดแต่สมมติเป็นห้าสิบคนมันจะได้ทุกค น, นก็ไม่ได้ไคนจะเข้าใจทุกคนก็ไม่ได้นะมันก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาสนใจขนาดไหนนะแต่สิ่งที่เราทําก็คือเราทาในหน้าที่ของเราแต่เราก็ทําแบบทแบบําทแบบวางๆน่ะทําแบบบางที่จริงอย่าง ถ้าเราเข้าใจธรรมะนะเราศึกษ า, าไม่จริงแม้แต่เรื่องง่ายๆที่เราเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราปฏิบัติทำเรื่อยเราก็จะเข้าใจมันละเอียดขึ้นอย่างทานเนะทานเข้าใจปะ mm hmm. ทานเราก็จะคิดถึงทําบุญทาทานให้สิ่งของตัก บ, บาตเนะี่ยสคทา น, นตา่างๆจร่ยิงทานจริ ง, รงมันเยอะกว่านั้น mm hmm. นะ เวําทำอะไรถ้าเราไม่หวังผลตอบแทนเรกให้ด้วยความอยากจะให้ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรอยูน่นะมันถึงมี็ทานจริงแต่ถ้าบางทีเราทานแล้วเราก็ขอว่าให้เราได้นั่นได้มีขอให้เราไม่เจอเยนนั่นอย่าง น, น, นี้มันก็ยังไม่ใช่ทานจริงนะมันจะได้บุญส่วนหนึ่งแต่ก็ได้ได้กิเลสเกิดหนึ่งด้วยบุญได้ต่ละสิ่งของแต่กิเลสก็ อยากได้บางอย่างเข้ามาในชีวิตมันก็เลยได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งกิเลสแต่ถ้าเราเข้าใจทานจริงนะทานจริงๆทานให้ให้ให้ใ ห, ให้ไม่ได้หวังไม่ได้หวังว่าจะต้องได้อะไรนะทําแบบด้วยความเต็มใจที่จะให้เน่ะนี่ทานจริงๆทั้งวัตถุ ก, ก็ดีหรือว่าที่เป็นนามธรรมก็ดีนะนะให้การช่วยเหลือให้อภัยต่างๆนะี ให้โดยไม่ได้หวังว่าเราให้กับใครไปแล้วก็าจะยังโกรธเราอก็เป็นเรื่องของเขานักที่จริงเราต้อให้กัยใครแล้วเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราเข้าใจแม้แต่ทานนะก็ไม่น้อยแต่ก่อนมาก็คิดนะทําไมตัวผู้เช่าชาติสุดท้ายก่อนเป็นผู้เช่าทำไมถ้าเป็นพระเวสสันนนด้วยทําไมไม่เป็นแบบแนวปัญญาปัญญานะเราไปคิดว่าทานเป็นเรื่องเหมือนเด็กน้อยธรรมดา แต่เขาแต่พอเขาที่นายโดยมันไม่เล็กน้อยทุกบารมีก็มีท่าเหมือนเหมือนกันแ่ะแต่เราเองบางทีเราไปให้ค่าต่างกันทานเป็นเรื่องเล็กน้อยศีลเป็นเรื่องปัญกำกรรมสมาธิปัญญาเป็นเรื่องที่สูงกว่าแต่จริงถ้าเข้าใจจริงๆอ่ะมันมันมันไปด้วยตันมันสนตุนกันเหมือนอริยมรกที่เราสวนนะเราจะไปแยกข้ออะไร สำคัญกว่ากันเพราะไหนดีกว่ากันจะเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ได้เลยอริมาร์กมัไปด้วยกันเนี่ยมันเหมือนทุกบอล ม, มันมันหมุนไปด้วยกันดังนั้นถ้าเราทํามันก็จะสมบูรณ์ไปทั้งหมดนะอริมาร์กนี่องค์ใมันก็จะสมบูรณ์ทั้งหมดสัมมาทิฏฐิเป็นถนะึงสัมมาสัมมาทิสินสัมมาทิปัญญามันก็เป็นสิ่งที่ที่ไปควบคู่กัน นั้นเนาะเราก็มีโอกาสที่ดีนะมีเวลาที่เหลืออยู่เราได้มีโอกาสได้พบนะว่าทำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีชีวิตสองน่าง น, นะอาหมามองว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่า ม, มากนะเป็นสิ่งที่มีค่า ม, มากที่เราไม่รู้นะนะต่อไปเราจะได้เจอหรือเปล่าร่างกายรจะแข็งแรงแบบนี้หรือเปล่า เรายังสามารถที่จะขยับไปเยื่นร่างกายได้หรือเปล่าชีวิตเราถ้าตายไปอีกกี่ปีจะมาเกิดเกิดที่ประเทศไหนเกิดเป็นอะไรเกิดได้พบอะไรเราก็เลือกไม่ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ชาติเนี้ยเราได้เกิดมาเจอตรวนี้แล้วได้เวลาทางในเราก็นักก็ให้เรามีความตั้งใจเยอะตั้งใจปฏิบัติศึกษาพัฒนาตนเองต่อไปเราจะพัฒนา อะไรนะพัฒนาอะไรเราก็พัฒนาทุกส่วนนั่นแหละนะแต่มาว่าส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคือตัวสตินะีเอาจารย์หญิงเคยเล่าใหฟังว่ามีโยมคนนึ่นที่เขาเป็นเหมือนนักกิจกรรมเขาได้อบรมหลายที่มากทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเป็นเป็นวิทยากรเป็นอบ ร, รมกิจกรรมต่างๆเขาบอก คือทุกอย่างดีหมดเลยแต่ถ้าขาดสติตัวเดียวเนะี่ยมันเอามันเอาสิ่งที่มาเรียนรู้เนะ่ะติณโอรมเอามาใช้ไม่ได้คือ <c oughs> มันดีอะ่ะติดทณโอรมถึงได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการต่างๆนะมันดีหมดแต่ถ้าขาดตัวสติมันไม่สามารถเอาสิ่งนั้นมาใช้ได้ <c oughs> อันเป็ น, บ น, นแบบไม่จริงนะมาก็สังเกตเหมือนเราได้อ่านเราได้ฟั ง, เ ร, ฟงเราได้ศึกษาอะไรต่างๆ เรารู้ล้วแต่ถ้าตอนนั้นมันไม่มีสติเราเอามาใช้ไม่ได้มันเหมือนเป็นความรู้เหมือนเรามีหนังสือแต่พอเราเจอปัญหาเราเราไม่สามารถที่จะเปิดตำรางการมาปฏิบัติได้ในตอนนั้นเพราะหนังสืออยู่ไหนอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราจำไม่ได้เราหยิบไม่ทันแต่ถ้าเรามีสติน่ะมันจะเหมือนเป็นตัวดึง ดึงความรู้ดึงปัญญาขึ้นมาในการแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้อนนี้มันก็จะเป็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่ต่างจากธรรมะเ่วนอื่นหรอกแต่แต่ตัวนี้มันเหมือนเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการที่เรียกว่าทําให้เราดึงสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เราได้เห็นแล้วก็เห็นแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น หรือสิ่งที่คำว่าดึงให้เห็นก็การเนี้ยสติความหมายเป็ว่าการประรุจได้ใช่ไหมอย่างเราเราก็เดินอยู่แล้วเราก็ขยับตัวเยื้อนร่างกายอยู่แล้วหายใจอยูะนะ่แล้วเนี้ยมันมีอแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสติที่เรารู้ว่าเราอทำอะไรเราไม่ไ ม, ไม่ผิดไม่พลาดต่า ง, างๆหรือผิดพลาดก็นิดๆหน่อยๆมันเป็นสนติแบบสัญชาตญาณมันเราบอกเราก็ขับรถได้แล้วก็เดินได้ แล้วก็กินข้าวได้ก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่การรู้ตัวแบบที่บางกีเราก็คิดไปไเปลื่อยเปื่อยด้วยแต่ก็รู้ว่าเธอเนี่ยนะเห็นไหมมันเป็นสติแบบสัญชาตญาณสัญชาตญาณซึ่งคนทั่ ว, วไปเขาก็มีนะถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าไม่ใช่คนแบบนะเป็นบ้าเลยเนี่ยนะเยสียสติไปอันนี้สติแบบสัญชาตญาณแต่เราจะพัฒนาเนี่ยอะไรให้มันเป็นสติแบบ สติปัฏฐานการจะพัฒนาสติโดยธรรมชาติที่พวกเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยแหละที่มันเป็นสติแบบสัญชาตญาณให้เป็นสติปัฏฐานเริ่มแรกคือมีความตั้งใจเราทำอะไรให้เรามีความตั้งใจในการทำสิ่ง น, นั้นพอตั้งใจเน่มันจะมีเรียกว่ามีเจตนามีสมาธิขึ้น มีสมาธิตั้งใจทําตั้งใจรู้นะหรือบางทีเขาพูดว่าตั้งใจทําด้วยความใส่ใจนะใส่ใจรู้เราตั้งใจทําอะไรแล้วก็ใส่ใจในการรับรู้สิ่งนั้นการตั้งใจทําสิ่งใดก็อาจจะเริ่มแรกในการฝึกก็ฝึกโดยการที่ให้ทําในทีละอย่างอย่าทำในละอย่างพร้อมกันมันจะสับสน เช่นเรกินข้าวก็อย่าพึ่งอ่านหนังสือกินข้าวก็เย่าไปไปสนใจฟังข่าวฟังเพลงอะไรกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวเป็นนะอันนี้นคือตั้งใจทำทุกอย่างเดินเองก็ตั้งใจอยู่กับการเดินถ้าเราเดินชมนกชมไม้ไปด้วยนะมันอาจจะเพลินก็จริงแต่เราก็จะดื้อตัวเองก็เราอาจจะส่งใจไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังนั้นการตึกแรกนะ ตั้งใจทำสิ่งใดก็ทำทีละอย่างนะทำทีละอย่างแล้วก็ใส่ใจในการรู้ตัวนะนี่คือเป็นการฝึกเริ่มต้นนะจะทำอะไรก็ได้ให้เราตั้งใจแต่ครานี้มันก็ต้องระวังว่าพอบางทีเราว่าเราตั้งใจมันกลายเป็นเครียด <c oughs> กลายเป็นจงใจเกินไป มันก็จะกลายเป็นแรงเป็นเครียดเป็นกดดันเป็นอะไรต่างๆซึ่งอย่างนี้นเราต้องดูว่าตั้งใจแบบไหนด้วยความพอดีตั้งใจจงใจขนาดไหนมันกลายเป็นความเครียดซึ่งเราตรงนี้นเราต้องค่อยๆปรับเวลาเรายกมือสร้างจังหวะเวลาเราเดินจงกกมเราก็ดูว่าแบบไห น, นมันรู้สึกมันผ่อนคลายรู้ตัวได้แล้วก็คล้ายๆ ไม่ตืดขาดเกินไปเคยคุยคนนะักปฏิบัติหลายคนที่ขึ้นมาเองก็เคยทาผิดเอี่ยแต่ก่อนเราดูลมหายใจนักปฏิบัติหลายคนที่ดูลมหายใจก็จะทําผิดในการที่เราไปจงใจ บ, บังคับบังคับลมหายใจเราหายใจตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้นะหายใจได้ธรรมดาไม่ตืดขัดนะ แต่ก่อมานั่งดูลมหายใจแล้วกลายเป็นพื้นฐานเคยเป็นไหมเ <c oughs> พราะเราปพยายามบังคับไงบางคนยิ่งบอกหายใจแล้วท้องพองไหายใจออกแลท้องยุบยิ่งพยายามจะหายใจให้มันท้องฟ อ, องอ่มแล้วก็ดูว่ามันฟองแบบไหนยืดประหนัมนมาเลยกลายเป็นความพื้นฐานเพราะว่าเราไปจงใจให้มันเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่จริง มันพอไม่พอไม่เรื่องประเด็นสาคัญเลยอย่างอาจารย์มงคลนะท่านบอกอาจารย์มงคลนะท่านหายใจได้ต้องพูดเองนะวะ่าผมหายใจได้พระมาณแ่ยี่สิบเปอร์เซ็นหายใจถึงไม่ถึงไป่ถึงพอเลย้สั้วยความพิการนะท้องท่านมีพอแน่เพราะมหายใจยแต่ก็ไม่ใช่ทําให้ปฏิบัติไม่ได้นะอืมคือที่จริงๆลูกเจ้าท่านบอกว่าหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจยาวก็รู้ว่ายาวหายใจละเอียดก็รู้ว่าหายใจละเอียดหรือท้องมันพองเราก็รู้ท้องไม่พร้องเราก็รู้ไม่ใช่ว่าเราจะหายใจให้ท้องพองหายใจออกให้ท้องดุหายใจให้มันยาวหรือหายใจให้มันสั้นหายใจให้มันละเอียดอันนั้นเรียกว่าเป็นความจงใจ ความจงใจคือการไปดัดแปลงไปสร้างไปเจือด้วยความความต้องการมากเกินไปนั้นหลายคนปฏิบัติธรรมวิธีไหนก็แลแนนะ้วแต่นั้นบางทีไม่ได้ยกมือสร้างกันหวะไม่แต่เดินจงกรมก็เราจะไปดัดแปล ง, งธรรมชาติมากเกินไปเรามีความจงใจในการปฏิบัติมากเกินไปเนี่ยต้องระวังเวลากหรืเดิน บางทีบางคนก็จะเกร็งในการเดินทั้งที่ถ้าเดินปกตินะเดินได้เรื่อยเดินได้นานแต่พอมาเดินจมกลมแล้วเป็นไงเมือม่อยแขนเมื่อยขากพราะ่ะเราไม่งอเข่าเราไ ม, เาไม่เราไม่ขวอนคลายใช่ไหมก็มเลยเกร็งหรือใจสังเกตใจนะมาสังเกวบางคนปฏิบัติทมบางทีทำตาเบลอ พยายามจะมองเลยไม่ชัดทําใจซึมซึมทำใจซึมซึมพยายามที่จะให้มันนิ่งๆให้มันแบบไม่อยากใมัรู้สึกอะไรทั้งดีและไม่ดีทําใจซึมซึมเชื่อเชื่องเว่ยงอยู่นะเพราะเราคิดว่าถ้าแบบนี้เจะปฏิบัติดีคือให้จิตมันนิ่งๆให้จิตมันท้ายไม่เป็นอะไรนะแต่ที่จริงมันคือการไปแทะแทงจิตนะแทะแทง มันเป็นดแแัดแปลงเพราะว่าเรามันมีการที่เราคิดแล้วก็เราอยากให้มันเป็นแบบนี้มันเป็นตัวเบื้องหลังเนเราอยากให้จิตมันเป็นแบบนี้นแหละไม่คิดนิ่งๆแบบนี้ไว้มันมาแท้กแต่งให้เราทําแบบนี้ถ้าเรารู้ทันนะเราจะเห็นว่าอ๋อความอยากมันทําให้เกิดการกระทบบําแบบนี้นั่นมันเป็นเชื่อในตอนนั้นเนาะดังนั้นการปฏิบัติ ให้เราฝึกแบบนี้ <c oughs> เรามีเจตนาในการรู้รู้กายที่เคลื่อนไหว <c oughs> กายที่เคลื่อนไหวมันรู้ได้ง่ายรู้ได้ชัดในเรื่องต้นเพราะว่ากายมังกายมันคล้ใช่กา ย, า, ย า, ยายมันตรงๆรงอะ่ะ <c oughs> มันซื่อๆกายนไม่มันหลอกไม่ได้นะถ้าเรารู้ตรงที่ปัจจุบันที่กายเคลือ่อนน่ะเดินก็รู้สึกเคลื่อนมือก็อรู้สึกหายใจก็รู้สึกน่ะ รู้ลงที่ตรงๆที่ปัจจุบันนะแต่บางทีบางคนต้องระวังว่าบางทีพอเราบอกจะดูกายอย่างที่บอกว่าบางทีเราไปขึงเกินไปหรือว่าไปดัดแปลงการเคลื่อนไห่ของกายหรือบางคนก็จะไปคอยไปรอดูเช่นนั่งลัดนี่ก็ีกคิดว่านะเดี๋ยวจะรอดูมันพลิกมือเ่ยลิกแล้วก็จะรอดูมันยกมือ เดี๋ว่ราจะรอเหมืนเข้ามาคือเหมือนเราติดมันไปรอจ้องเร็วไปไหนมันผิดธรรมชาติเหมือนธรรมชาติที่หลวงพ่อเทน่าบอกแมวกับหนู่ะมันไม่มีหนูตัวไหนออกมาถ้าแมวมันอยู่ตรงอยู่ตรงาปากตลูอ่ะใช่ไหมไม่มีโจนตไหนต้องผิดตอนหน้าตำรวจอตํารวจอยู่ตรงนั้น่ะอยู่ตรงหน้าป้อมอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีโดนตัวไหนมีกล้าทํา ขโมยของแบบใช่ไหมหรือถ้าปูอย่าง น, นอะอเด็กมันไม่ได้แบบถ้ามันมีแบบขาดสติจริงๆคือถ้าถ้าเราเอาจิตไปจ้องที่จะดูมันไอ้ที่มันแสดงเนี่ยมันแสดงแบบเสด็จแท้นั้นบางทีเราจะไปต้องดูร่างกายจะไปต้องดอดูจิตมันผิดตรงนี้แหละนะแล้วเราปล่อยธรรมชาติ ให้กายเคลื่อนเรารู้นะ่ะรู้ทันทีรู้ตรงที่ปัจจุ บ, บันไม่ใช่คอยรู้หรือบางทีเราคิดว่าพอเรารู้แล้วแล้วเราก็ไปเรียกมันว่าเป็นอะไรมันก็เป็นการเป็นรู้ที่หลังนะเ <c oughs> ช่นเรานะ <c oughs> พทิกมือนะที่จริมันทิกไปได้แ ล, แล้วก็มาละลึกว่ามันพทิกมือเนี่ยคือมันก็เป็นที่หลังแต่ถ้าเรารู้แบบรู้เป็นแค่ กิจยาของมันเนี่ยมันพอแไม่ต้องไปสนใจรู้แล้วก็จบปุ๊บจบรู้เป็นเพียงแค่กิจยาไม่ต้องไปเรียกว่ามันคืออะไรไม่ต้องไปรอว่าอะไรนั้นการรู้กายรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ปัจจุบันมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรเราจะมีการเคลื่อนไหวข้างใหม่ให้รู้การเคลื่อนไหวข้างใหม่แทนไปเลยนะนั้นโยมไม่ต้องไปีเรียบว่ากลัวทําผิด ตัวไม่รู้ตลอดไม่รู้เราก็แค่รู้ว่ามันไม่รู้ถูกแล้วรู้สึกใหม่ทั้งใหม่นะรู้สึกใหม่ทั้งใหม่อันนี้คือการรู้กายเคลื่อนไหวเนาะเนะีเราก็รู้กายเคลื่อนไหวบ่อยๆมันจะทําให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นนะจิตมีสติจิตมีสมาธินะแต่เราก็ไม่ไปห้ามความคิดนะความคิด มันจะคิดอะไรก็ได้มันจะรู้สึกอย่างไรก็ได้มันแสดงใดรลักให้เราเห็นจริงนะปฏิบัติไม่ใช่เราปฏิบัติเพื่อให้อารมณ์เราดีปฏิบัติเพื่อให้มีมความสุขไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อตรงนั้นแต่จริงปฏิบัติเพื่อที่เข้าใจความจริงว่าอารมณ์มัก็คืออารมณ์เนี่ยอารมณ์มันเกิดแบบไหนเราก็ดูมันแบบนั้น ไม่ใช่ปฏิบัติให้อารมณ์ดีไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้มันมีความสุขไม่ปฏิบัติให้มันมันนิ่งๆ่งอันนั้นเราเหมือนคล้ายเราอยากจะไปจัดการสิ่งข้างนอกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็ไม่สามารถจัดการได้จริงๆนะแต่จริงเราปฏิบัติเพื่อเห็นว่าอารมณ์มันไม่ดีเห็นว่าอารมณ์มันสุขเห็นแบบไหนถ้าเราไม่เห็นเราจะมันดีเราก็อยากให้มันดี ประคองความดีไม่ดีเราก็อยากจะไปจัดการให้มันหายให้มันดีขึ้นมาอันเนี้ยเราไปจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่พระเจ้าท่านสอนให้เรารู้แค่รู้สิ่งที่มันสิ่งนนีะ้มันเกิดขึ้นเป็นแบบไหนรู้ได้ถ้าภาษาครูบาอาจารย์ก็บอกให้รู้ซื่อๆนะรู้จิตเฉยๆหรือบางทีก็ตับแต่ว่ารู้เท่านะั ตัวตัวรู้เิยเฉยตัวรู้ซึ่อหรือตัวสับแต่ว่ารู้หรือว่าแค่รู้เนะี่ยคือเราฝึกตรงนี้นะไม่ให้ฝึกให้ตรงนี้มันมันดีหรือไม่ดีนะนะรรนั้เวลาปฏิบัติทำไอ้ตัวเนี้ยบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราฝึกนะคือตัวรู้เนะี่ยรู้ด้วยความซื้อหรือตรงๆไม่ได้เจอด้วยความอยากได้ไม่อยากได้ชอบหรือไม่ชอบนะ อันนี้คือตรงนี้คือสิ่งที่เราฝึกคือตรงนี้นะนั้นเวลาเราปฏิบัติรู้กายก็รู้ซื่อรู้จิตใจรู้ความคิดรู้อารมณ์ก็รู้ซื่อเฉยมันจะดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างก็รู้มันไปเฉยแต่การรู้จิตรู้ความคิดมันจะมันจะเกิดคล้ายๆเกิดความคิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีจิตหนึ่งรู้ว่าเมืกี้มันคิด เกิดอาการอะไรของมันขึ้นมาสักอย่างแล้วก็มีมีจิตหนึ่งที่ไปดูว่ามันเป็นแบบนี้มันจะเกิดการเรียกว่าเป็นการตามรู้นะถ้าเราเร า, เรารู้จิตเนะ่เราไม่ใช่ไปคอยรู้แต่เป็นการตามรู้นะบางคนจะใช้จิตไปหาดูจิตนะไปเที่ยวหาหนะไม่เจอนะเพราะว่ามันเอาจิตเนี่ยไปคอยคอยดู มันไม่ได้ต้องมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูบางทีเราก็ขเขียนนั่นพูดง่ายๆนะมันเหมือนปามันคือภาษาการเลยมันโผล่ขึ้นมาบนน้ำนิดนึงอนะ่ะมีฟองอากาศขึ้นนะภาษาอีกภานษาไม่ก้อนภนะาษากลารไม่อะไรนะวัว น, น้ําแบบใช่ไหมอ่ามันวัวนน้ําขึ้นมามันโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งเราก็เห็นน แต่เราไม่ใช่ไปคอยดูตลอดเวลานะคอยดูตลอดตรงไหนมันเกิดขึ้นทางทิศซ้ายทิศขวาอะไรนะแต่เรามันโผล่ขึ้นปุ๊บเราก็เห็นมันโผล่ขึ้นปุ๊บเราก็เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นในจิตก็แบบนั้นเราดูกายเคลื่อนไหวไปพอมันคิดปุ๊บเราก็รู้ะคิดปุ๊บเรารู้จิตใจมันก็ถากไปแล้วก็รู้กายต่อไปหรืยอะไ อันนี ba, ith, ้เร oh ok hmm. ียกว่าดูกายเคลื him, ่อนไหวดูใจคิดนึกหมอเต้นมันดูการดูสติเนยมันเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนะดูกายก็เห็นจิตนะดูความคิดนะก็เห็นธรรมะนะเห็นไม่ใช่เห็นว่ามันคิดอะไรเห็นว่ามันคิดอะไรรู้ว่ามันคิดอะไรเนี่ยทั่วไปเขาก็รู้ แต่เห็นว่าจิตมันคิดมันต่างกันนะเห็นเป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นอะไรต่างเนี่ยคนทั่วไปก็รู้เขก็คิดแล้วก็ก็เขียนก็คิดแล้วก็ก็พูดอ่าคิดแล้วก็กทําแต่เห็นว่าจิตมันคิดจิตมันปรุงมันแต่งเนยมันต่างกันอืมนะเราก็จะเห็นทําไมเราดูคิดก็เห็นทำเห็นทำก็คืออะไรเห็นธรรมะที่มัน มันปุ่มแต่งขึ้นมาเมื่อตอนนี้เห็นแล้มันก็เลยหยุดการปุ่มแต่งนะเห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยกระบวนการเมื่อเห็นคนะิดน่ะก็รู้คิดก็เห็นทำมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งต่างๆพวนี้มันเกิดขึ้ น, าานะ ม, นมาให้เราได้เรียนรู้เนาะนะก็ดูน ะ, น ะ, ะ, นะอก็เราก็พยายามฝึกหัดตรง น, นี้นะจกักสติแบบสัญชาตญาณ ก็จะกลายเป็นสติปฐานมีความเพียรรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นมหาสติอเป็นมหารู้มหาแปลว่ามีกําลังมากนะมากเรื่อยๆจากสติธรรมดาก็กลายเป็นมหาสติมหาสตินี่แหละมันจะทําให้เราเรียกว่าถ่ายถอนความเห็นผิดความยึดมั่นถรือมั่นในจิตนี้ออกไปได้เป็นมหาสตินะ เป็นมหาสติขึ้นมาที่เราบางทีเราก็ต้องขยันตรงนี้บ่อยๆอาเป็นมหาสตินะมันก็เหมือนสุดท้ายที่เราส่วะแม้แต่ยั้นขั้นที่สี่นะสุดท้ายก็มีสติแล้วแลอยู่ใช่ไหมมันมีสติแล้วแลแลดูอยู่ทุกอาการที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาเป็น ตอนนี้ตนหนักมันก็ไม่ได้เจต น, นาที่จะต้องไปดูแต่มันรู้จนกระทั่งมันช้านานแล้วมันก็แลดูอยู่เฉยๆดูเฉยๆ ด, ดูแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจือด้วยอารมณ์อะไรต่างๆมีสติแล้วก็แล่อยู่เห็นนะาอาการต่างๆมันเกิดมันหนับแสดงใจรักให้เห็นแสดงว่ามันนะมันเป็นธรรมชาติของมันนะั้นสุดท้ายแม้แต่ตัวสติเองเราก็เป็นยึด ไปถือมันไม่ได้นะเราจะไปบางคนปฏิบัติแล้วพยายามจะไปประคองไปรักษาหรือไปพยายามอยากให้มันมีแต่สติตลอดเวลาแต่สุดท้ายไม่แต่อกุศลก็ดีกุศลก็ดีไม่แต่ตัวหลงก็ดีไม่แต่ตัวรู้ก็ดีมันก็ต้องมันก็ต้องวางมันกันพุทธเจ้าจะสอนธรรมะเด็ดมากรรมาฟังตอนแรกนีรร้แบบใจแป้วมากเลยนะ แต่ตอนหลังก็คือมันก็ต้องแบบนี้นะนนเพราะรงไงแบบ ม, ม่งัน้นเร า, าก็จะหลงอีกแบบไปสร้างสมองเลยสัพเพธรรมานารังปะพิเนเตตายะสิ่งทั้งหลายต้องปวงก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอืง <c oughs> ตามตอนแน่งนี้เราไม่เกิดความดีก็ไม่ให้เรายึดเหลอไม่แต่ตัวสมาธิตัวสติตัวปัญญาก็ก็เหมือนไม่ให้เรายึดเหลือฟังแล้วรู้สึกมัน มือนไม่มีอะไรยึด แ, แต่จริงถ้าเราดูดีๆแม้เราเราไปยึดอะไรมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแม้แต่สิ่งที่มีค่าเราไปยึดเป็นมากเช่นร่างกาเยเรามีค่านะแต่เราไปยึดเป็นมากเราก็เป็นทุกข์นะถ้าเราเยอมรับมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยความไม่สบายกายก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยความแก่ความป่วยความตายนะก็เป็นไปตามเหตุทางปัจจัยถ้าเราไปยึด สิ่งที่เราว่ามีค่ามากมันก็เป็นทุกข์พ่อแม่ท่านก็เป็นไปตามเหตุตัณฑ์ใ จ, จัยเหตุปัจจัยที่เราต้องเจอนะปุบาอาจารย์ก็ต้องมีละฝังคานไปนะนะวันเวลาก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นวัฏจักรเป็นธรรมดาถ้าเราเป็นยึดแม้แต่สิ่งที่มีค่ามันก็เป็นทุกข์ยั่ยืเหมือนกันนั้นธรรมะเองก็ ทาสอนให้เรารู้ความจริงเข้าใจความจริงแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นาะอัดกับปากไว้